สิกขาบทวิพังหกร้ามคำว่าก็เจาะจงพิกษุความว่าเพื่อประโยชน์ของพิสูจน์คือมุ่งเฉพาะพิสุจน์ปรารถนาจะให้พิสุครองจีวรนที่ชื่อว่าผู้ไม่ใช่ญาติคือไม่ใช่คนที่เกี่ยวเนื่องกันทางบรรดาหรือทางบิดาตลอดเจ็ดชั่วคนที่ชื่อว่าเครือหัดชายได้แก่บุุษผู้ครองเรือนที่ชื่อว่าเครือัดหญิงได้แก่สตรีผู้ครองเรือน ที่ชื่อว่าช่างหกได้แก่คนทอผ้าที่ชื่อว่าจีวรได้แก่จีวอนหชนิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีขนาดพอที่จะทำวิกับได้เป็นอย่างต่าคาว่าสั่งให้ทอคือใช้ให้ทอคําว่าท่าภิกษุนั้นในสานักของเขาได้แก่ภิกษุที่เขาสั่งให้ช่างหกทอจีวอเจาะจงคําว่าเขาไม่ได้ปรณามไว้ก่อนคือ ทายกไม่ได้กล่าวไว้ก่อนว่าท่านผู้เจริญท่านต้องการจีวรชนิดไหนกระผมจะให้ทอจีวรชนิดไหนถวายท่านคำว่าเข้าไปหาช่างโหรคือไปถึงเรือนแล้วเข้าไปหาที่ใดที่หนึ่งคำว่ากําหนดชนิดจีวรคือกําหนดว่าจีวรเพลนนี้ทอเจาะจงอัตมาท่านจงทําให้ยาวให้กว้างให้เนื้อแน่นถึงให้ดีทอให้ดีสางให้ดี และกลีดให้ดีเอาเถอะอตมาจะให้ของเล็กน้อยเป็นรางวัลแก่ท่านคําว่าท่านกล่าวอย่างนี้แล้วถ้านพิกษุนั้นให้ของเล็กน้อยเป็นรางวัลโดยที่สุดแม้แต่อาหารบิณทบาทมีความว่าที่ชื่อว่าบิณทบาทได้แก่ข้าวต้มข้าวสวยของเคี้ยวก้อนจุรณะไม้ชําระฟันหรือได้ชายผ้าโดยที่สุดกระทั่งกล่าวธทำช่างหูกทําให้ยาวให้กว้างให้เนื้อแน่นตามคําภิกษุ ต้องอบัตทุกกฎเพราะพยายามจีวอนเป็นนิสกีเพราะได้มาคือเป็นของจำต้องสละจีวอนแก่สงแก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละจีวอนที่เป็นนิสกีอย่างนี้